ขนข้อ 7. ปัญจะมีวิพัตนในอัตเหตุแปลว่าเพราะไม่แปลว่าแต่ไม่แปลว่าจากแปลว่าเพราะตัวอย่างที่หนึ่งกัสมานุตุมมหังทะห่างราณมียังเกรกัสมานุเป็นคำถามตุมมหังแปลว่าของพวกท่านเป็นพระหูพ์ ตุมหางตุมหากังอสมากังโนนั่นแหละไออสมากังโบไม่เห็นโนสมากังโบต่อไปท่าหางราดูนะเนี่ยประธานนะท่าหางราเนี่ยท่าหางราแป ล, แปลว่าคนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวท่าหางราเนี่แปลว่าผู้ยังมีอายุน้อยผู้ยังอ่อนแต่ไม่ใช่อ่อนหัดนผู้ยังมีวัยอ่อน ถ้าหาราพิภูพิษุหนุ่มเน้นน้อยอ่ะถ้าหาราพิภูสามเณนะรกรานะถ้าหังระแปลว่าหนุ่มแน่นหนุ่มน้อยหนุ่มสาวนี่พระหูพจน์แปลว่าหนุ่มสาวหนุ่มสาวทั้งหลายถ้หาหังระศัพท์แปลว่าหนุ่มฮะทำไมเป็นทหารนะ่ะสนาอามันอยู่คนละที่เนี่ยอ๋อไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบกันทหารเขามาจากคํานี้หรือเปล่าไม่รู้ เอาแต่ข น, นมใช่ไหมคงใจอย่างนั้นบางนะณนะมีย่งเอาไปนู่นก่อนตุมมหังตุมมะหังของท่านทั้งหลายของท่านทั้งหลายณนะมียะเกรย่อมไม่ตายกัสมานุเพราะเหตุใดหรือเพราะอะไรหรือหรือจะเอาคําถามขึ้นก่อนว่ากัสมานุเพราะอะไรหรือ กสมาแปลว่าเพราะอะไรนุปแปลว่าหรือเพราะอะไรหรือถ้าห่างราคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายตุมมหากรังของท่านทั้งหลายนะมียะเกรจึงไม่ตายย่อมไม่ตายฮะตุมหังุมหัเพราะอะไรหรือคนหนุ่มสาวในตระกูลของพวกท่านจึงไม่ตาย ความหมายถามว่าอย่างนี้เพราะเหตุใดคนในตระกูลของพวกท่านจึงไม่ตายตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวหมายถึงว่าตระกูลนี้อายุยืนทุกคนเลยอ่ะมีแต่แก่ตายอย่างเดียวเด็กตายไม่มีหนุ่มตายไม่มีมีแต่แก่ตายอย่างเดียวมีแต่คนอายุยืนเท่านั้นโบหารก็ถามอย่างนั้นถามว่าทำไมละ่ะตระกูลของพวกท่านจึงมีแต่คนมีอายุยืนคาตอบก็คือรักษาศีล รักษาศีลเพราะว่ารักษาศีลศีลห้าบ้างศีล8บบดบ้างศีลอุโบสถบ้างตามการอันควรคนหนุ่มสาวในตระกูลของพวกข้าพระเจ้าจึงไม่ตายก็คือยังไม่ก็จึงไม่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนั่นเองนั้นคนอายุยืนไปดูนะจิตใจเขาดีมากนะยิ้มแย้มแจ่มใสคิดจะเบียดเบียนคิดจะคุกคามคิดจะเอาเปรียบใครไม่มี จิตใจผุดผ่อง<ม>ก็เลยมีอายุยืนยาวอยู่นี่ใครอายุยืนที่สุดยกมือหน่อยเจ็ดสี่อ้าวใครสูงกว่าเจ็บสียิ่ันน้ำนมยังไม่ขึ้นยิ่ง ใครอายุยืนที่สุดก็จะได้รู้ว่ามีศีลบริบูรณ์ที่สุดดูต่อไปข้อ2ตัสมาพุทธโสสมิพราหมณะตัสมาพุทธโสสมิพราหมะพรามณะเป็นอาลปันะตัสมาใช้ในอัตเหตุแปลว่าเพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น โทษสมิก็คือพุทธโธบวกอัศมิจำอัศมิได้ไหมเคยเห็นอัศมิไหมเคยที่ไหนอะเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้เองให้เปิดดูหน้าที่หน้าหกอะหน้าหกในเล่มเนี้ยอภิอัศมิองไงก็คู่กับอาหางนะอาหางเราพุทธโธเป็นพระพุทธเจ้าอัศมิย่อมเป็นไง พรามณะเป็นอารพณะแปลก่อนเลยพรามณะดูก่อนพรามตัดสมาเพราะฉะนั้นอหังเราพุทโธอัตสมิจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าณพรามทำไมจึงเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้บอกว่าทำที่ควรรู้เราก็รู้แล้ว ทมที่ควรจังเกินเราก็จังเกินแล้วทมที่ควรละเราก็ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าตัสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นข้อ3ตัสมาติหะพิกเขเวเอวังสิกิตพังยัสมาติหะ ตตัวนี้เป็นอาคมเท่านั้นตัดมาเป็นยตัดสมาและอิหะตที่ติหานั้นเป็นตาอาคมไม่มีความหมายใส่ม้ออกเสียงเท่านั้นแยกออกมาสนทิแยกว่าตัดสมาบวกอิหะอิหะแปลว่าในนี้ตัดสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นคาว่าในนี้ก็คืออิหะศาสเนในศาสนานี้ ไม่ใช่อีธาเป็นอี ห, หะฮะยัดตัดสมาบวกอีหะไม่ใช่ก็หะปัจจใจในวิพัตนปัจจั ย, ต, จจยตัดสมาบวกอีหะเราวงเล็บบอกไว้ว่าลงตาอาคมลงตะอาคมในสนธิบอกอย่างเงี้ยมีไหมตาอาคมมีไหม มีตัวอะไรบ้างอาคมอะยะวะยวมทนน่นะยมทนตะ ล, ล, ละนันะนะ่นน่ะนั่นแหละมีตะอาคมด้วยนะพิกเวเป็นอรารปนแปรก่อนตัสมาติหะพิกเวเอวังสิกีตะพังพิกเวพิกสูทั้งหลายตัสมาเพราะฉะนั้นอิหะในศาสนานี้ สิกีตาพังพึงศึกษาเอวังอย่างนี้เพราะฉะนั้นในศาสนานี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ศึกษาอะไรศึกษาอะไรพึงศึกษาศึกษาอะไรศึกษาในไตรสิกขานั่นแหละสนะีลสิกขาก็คือศึกษาในปาติโมปาติโมว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง สมาธิสิกขาก็ต้องมีศึกษาเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาวิปัสนาเป็นยังไงบ้างปัญญาศิกขาก็วิธีการบรรลุ ธ, ธรรมเป็นอย่างไรบ้างสิกขิตพังแปลว่าควรศึกษาหรือว่าพึงศึกษาเอวังอย่างนี้ภิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นในศาสนานี้พวกเธอควรศึกษาอย่างนี้ใส่ตุ้มเฮหิ ตุมเฮหีสิกิตพังเป็นภาวะควรศึกษาอย่างนี้ในศาสนานี้พวกเธอควรศึกษาอย่างนี้ใช่อันนี้เป็นโอวาทานุศาสนีเป็นคําให้อวา่าพิษสูงหลายเพราะฉะนั้นในศาสนานี้พวกเธอควรศึกษาอย่างนี้สิกิตพังพวกเธอควรศึกษาเอวังอย่างนี้ ข้อสยัสมาการกรณนาตัดสมาการกรณนายัสมาตัดสมาแปลว่าใดแปลว่านั้นการกรณนาแปลว่าเพราะเหตุการกระศัพั์แปลว่าเหตุสมาเป็นอาแปลว่าเพราะการกรณนาจึงแปลว่าเพราะเหตุตัดสมายัสมายัสมาการกรณนาเพราะเหตุใดตัดสมาการกรณนาเพราะเหตุนั้น เพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าอยากรู้บาลีเพราะเหตุใดก็มาเรียนบาลีเพราะเหตุนั้ น, ข ย, ย น, น, นขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยอีกหน่อยนะ เปิดพระไตรปิฎกอ่านบาลีรวนนะ่าจะปลื้มปีติอูยน้ําตาคอเกิดปีติคนลุกชูชันอ่านบาลีเลยนะไม่ต้องอ่านแปลนะถ้าไปอ่านแปลเฉยเลยอ่ะมันลุกภาษาไทยเออเออเออแต่ไม่ไม่ปีติอ่ะแต่ไปอ่านฉบับบาลีเหมือนเหมือนกับคําเนื้อความที่เราพบผ่านตาไปเนี่ยเหมือนเหมือนพระดารัสพุทธเจ้าที่ตรัสให้เราฟังอย่างนั้นน่ะเข้าถึง เอาแปรกสสมานุตุมหังทหัรราณมียังเกรเพราะอะไรหรือคนหนุ่มสาวของพวกท่านจึงไม่ตายตัสมาพุทโธสมิพรามณะดูก่อนพรามเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้า ตัดสมาติหาภิกขเวเอวังสิกขิตพังภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในศาสนานี้พวกเธอควรศึกษาอย่างนี้ยัดสมากา ร, กรณาเพราะเหตุใดตัดสมากา ร, กรณาเพราะเหตุนั้น